ทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมโลกเราเีห่งอกกันเดียวกันมาจากว่านจากเรือนรางานราการาามามาถือบวชมาปฏิบัติออกาจากเรือนไปเกี่ยวข้องโดยเรือน ก็ให้ได้มีบทเรียนหลายๆอย่างหลวงตาจะพูดให้ฟังสิ่งที่พูดนี่มีอยู่ในเราด้วยมีอยู่ในคำพีตำลาด้วยไม่ใช่ลมๆแรงๆพวกเราก็ไม่ใช่ตาสีตาสาง้อง้อโต้ตุน เป็นการศึกษามาปัญญาชนทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ย0สิบพฤษภาคมพุทธศักราช2 5งพันหเตรงกับวันแรมหนึ่งค่งเดือนหเมื่อวันนี้เป็นเพนเราก็ได้ สาจิตกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพุทธศาสนาทั่วโลกกันเป็นวันสาคลของโลกวันวิสาขาบูชานะปานี้พระพุทธเจ้าของเราพงจะงงต้นสีมหาโพย่างไม่ไกลพิปตาสวยมุติสุขเพราะความสำเร็จ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 สติปัฏฐานกายานวเวทกายานุปจนาเวทานานุปนัจนากิตตานุปจนาธรรมานุปัจนามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในเวลามีสติเวลาทำความเพียรเวลาความเพียรดังกิจเราก็เลยตวจจิ่งเหล่านี้สอนให้หลงสอนให้ลูลด้วย กายก็สอนให้เราหลงก็มีกายก็สอนให้เราลาูกก็มีเวทนาก็สอนให้เราหลงก็มีเวทนาสอนให้เราลูกก็มีจิตสอนให้เราหลงก็มีเป็นทุกข์เป็นโศกเพราะควจิตก็มีธรรมสอนให้เราหลงหลอสอนให้เราลูกก็มีก็ได้บทเรียนไปจากของจิงคือร่างกายนี้ปฏิบัติ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 ผู้คนด้วยนับจากนี้ไปประมาณเดือน ก, กว่าจึงได้แสดงธรรมกำลังวางเปลี่ยนจะทำอะไรไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเรื่องนี้ครูาอาจารย์ก็ไม่สนแม่ไปแสาหาครูาอาจารย์ที่ใดอุตกาดาบทราราดาบท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 แล้พวพระองค์ก็ปฏิวัติออกปวดจากกษัตริย์เขาเก้าผมเจียแต่โกนผมที่นุ่งของฝาดไม่ใส่เครื่องประดับตกแต่งอะไรมันก็แปลกที่จะไปสอนใครถ้าวางแผนยุ่งยากไม่เหมือนพวกเรานะ เราในเวลาเนี้ยมีที่รองรับเจอแยะการเผยแร่ก็เป็นรูปแบบอย่างหนึ่มีวัดวาลามีมํำนะสารูปเป็นพระเป็นสงบารสุบไจกาวัดวาลามแต่ขณะที่พรอะอยู่ในสีมหาโพธิ์นันสวยบุ ธ, ธิสุขก็วางแผนที่จะไปทำไงมองหาคนที่จะบอกจะสอนใครหรอจะมารูเรื่องนี้ จึงมองเห็นกันจจวิชีที่เคยอยู่ด้วยกันมาคงจะพอฟังไนดะ้เดอนกลัวๆเดินทางจากพุทธกยาไปถึงพระลาณชีตามไปกระแสไปเพราะพระลาณชีนี่มีอิสิปตนังเบลุกดายวันเป็นที่ ของาพามของหรือสีขีภัยทั้งหลายที่ไปอยู่อาศัยที่นั่นห่างจากพาราศรีไปประมาณเข็ดกมม์ก็ตามไปขณะที่เดินทางออกจากพุทธคยาจากการตัดสู้สีมหาโพด่นั้นเราไม่พูดรายละเอียดนะก็จำ ม, มาเนาะ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 ก็ถามดูทำไมจึงสำนะตรงนี้จึงมีลักษณะท่าทางสง่าราศีให้เหมือนสำนัอื่นๆก็อยากถามก็ถามท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมท่านจังมีผิวพรรณผ่องใสนี่นักครูของท่านคือใครใครเป็นครูสอนท่านแต่มื่นั้นก็อวดอวดกันนะครู เมื่อเจอกันก็พูดขึ้น่าเรามาอะไรเราเป็นพาราหมณ์เราเป็นกษัตริย์เราเป็นแพทย์มาจากตระกูลนั่นตระกูลนี้นครูของเราคือครูทั้งหกอะไรก็ว่ากันไปครูเกิดใจนะอะไรครูทั้งหกเราเคยเรียนมาจาไม่ได้ เมื่อพระอุปกาชีวก ค, คนนั้นถามอย่างนั้นจะไม่ไม่เหมือนรูของเราที่เคยอยู่ด้วยกันมาพระพุทธเจ้าก็ตัดขึ้นอย่างไม่ก ะ, ะไรเลยเราเป็นชาวเสียมผูตัดสรุเองโดยชอบไม่มีเคยเป็นครูของเราปุปราชีวกก แล้วดีใจเลยมันไลาหนีไปคุยโวกันไม่ฟังเลยแ้นที่จะได้ฟังธรรมพอเห็นแล้วก็ไม่ชอบทันทีถอนความพอใจแลกความไม่พอใจออกไม่เป็นดวนรับดวนปรเษดคำพูดแบบนี้ไม่ชอบผภิญาชีวะก็นั่นก็อันหลังหนีไปต่างกนได้บทเรียนเลยพระพุทธเจ้าได้บทเรียนโอ้ oh. เราพูดมากเกินไปหนีเยินไปเดินไปถึงปัญจวีชีเลยเกี่ยวตอนไปพบทีแรกเห็นปัญจวีชีอยู่ปัญชีหนีไปเลยก็จจำได้จาเรียนวกว่ากวัเสียเะสำนะมากมากมาแล้วตามมาแล้วพวกเราอย่าตอนรับ เพราะคนล่มเร็วไปนี้ไปเดินไปไปไปที่ถึงอิสิปตัตนาหรือเปล่ไปพักที่นั่นแต่พทะเจ้าก็ตามไปอีก่อตามไปอ่อความปัญจุพีทั้งห้าก็เอามาอีกแล้วสำนักมากๆมาอีกแล้วเพราะเราอยาสนใจ แค่จะนั่งก็นั่งได้ไม่นั่งก็แล้วแต่ไม่ต้องต้นรับอะไรพระเจ้าก็เดินไปถึงขณะที่ปัญจพิชย์นั่งคุยกันอยู่สนทนากรรมกันอยู่ไม่ใช่พูดอะไรพระเจ้าดูขอนปัญจพิชย์ดูขอนไม่ใช่เราเป็นชาวเสียมผูแั่รู้เองไม่ใช่คำนั้นแล้ว ดูก่อนปัญจวิชิเราได้ตัดสรูดโดยชอบเราจะบอกปัญจพิชิซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาโดยเพราะโกนชายาพ า, ามเราขโรกเป็นสัตว์รุษเป็นบรรพุรลุษของเราดูก่อนดูก่อนวังเราตะูจแล้ว บอกคำว่าได้ยินว่าตัดจะรู้คนเดียบทมหันหน้ามาใส่ส่วนว่าปปัติยะมหานามอาอัจฉิยังหันหลังให้อยู่ไม่สนใจก็เลยเ อ, อาอาจนะไปวาให้นั่งให้แสดงธรรมอ่าก็ปราก่อว่าวันนั้นเกิดพระสงค์ขึ้นมาอัญญาคนดัง่งเอ่อเทศนาของผู้เจ้ากันแรกคือวันเป็นเดือนแปด เทววันอาสารบุชานับจากเดือนหไปถึงวันถึงเดือน8ปดแน่ก็วานเดือนหกัวเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาตามลาดับอัญญากัิยะลูกก่อนว่าพัตยะมหานามะลูกที่หลังที่หลังสี่วัน5วัน10วันเจวันไปเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมามีรัตสาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์แบบ องค์จึงได้เชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธสามารถสอนคนอื่นให้รู้ตามได้มีหลักฐานการเที่ยวมาปฏิบัติทําะไรอย่ามาเชื่อเราให้ทําละตามคําสอนของพระเจ้าโน้นเราจะบอกวิธีให้รู้เรื่องธรรมะที่พระเจ้าแต่จะรู้ไม่ใช่เราวิเศษกว่าพระเจ้ามารู้มาเห็นด้วยกันนะมันจะเป็นยังไง ถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเหล่านี้มันจะเป็นยังไงประเทศชาติผู้คนมนุษย์ทั้งหลายจะกลับไปหันหลังเข้าไปหาสามห้าพันปีร0อยพันปีมันก็ไม่ไหวแล้วเขาต้องจเจริญข้าวหน้าแล้วทุกวันนะ่ะอย่างลวงตาพูดวันก่อนว่าถ้ายังทุกอยู่ล่าสมัยถ้ายังโกรธอยู่ล่าสมัยถ้ายังหลงอยู่ล่าสมัย เขาไม่หลงเขาไม่ทุกข์เขาไม่โกรธแล้วทุกวันนี้เราจึงไปกันก็สอนอยู่เท่นั้นในที่สุดมีสักรีพยานเฉลยขึ้นมาปัญญผีทั้งห้าอยู่ไปอีกไม่นานเอา้เอาอสาวกุบุตรเป็นลูกเสือถีในพาราณาสีนั้น ลองออกมาตอนเช้าประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยทุกหนอทุกหนอออกจากภาราศีหมือะอิสิปัตนะเพราะที่นั่นเหมือนที่ปวดปล่อยทั้งสัตว์ราศีใครมาอยู่ก็ไม่มีอันตรายเมืองภาราศีกันเอาไวเป็นที่ปวดปล่อยของสัตว์ทั้งหลายสำนัรฤาษีจี่ไปมาใช่กัน ยาศักดกิ์ุบทก็ลูกเขาเดินมาอาจจะมีฤาษีชีภัยอยู่แถวนี้บ้างทุกหนอทุกหนอขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจงกรมอยู่ประมาณนี้คา <c oughs> นวณดูนะมโนภาพนะตอนเช้ามืดยาศักดิ์ุบทออกนี้จากบ้านมาไม่ให้ใครรู้วันที่กาลังคนกาลังหลับ มาก็มาถึงอิสิปตน ะ, ะทุกหนอทุกหนอวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกิน ต, ตั้งที่เป็นลูกเิรษสีคนคนเดียวก็ยังมีทุกข์นะน่าจะไม่ทุกข์เลยอะไรก็ไม่อดไมย่ยาพกพระเจ้าโดนจงกรมอยู่ก็เรียกขึ้นตอบที่ไม่วุ่นวายที่ไม่ทุกหนอไม่ทุก ที่ได้ไปวนวายที่นีไม่มีทุกมาที่นี่เถิดเจ้ากับนบวได้ยินเสียงตรงกันข้ามกับความเป็นในชีวิตจิตใจของตนถอดรองเท้าเดินเข้าไ ป, ปเจ้ากูจงกมงอยู่ก็แสดงทำให้ฟังในอนุบุพิกถาทั้งห้าเหมือนกับซักพวกชีวิตจิตใจมันเพื่อนมาด้วยความ ทุกโดยความวุ่นวาชีวิตของยศจะจึงออกมาเป็นการพูดทุกหนอทุกนอกวุ่นวายหนอะเหมือนทราบเพระเสื้อผ้าที่บันเปิดเพื่อนมาผู้เจ้าก็แสดงธรรมานุบุพิคถาเหมือนกับสักให้บันสะอาดและวขยอ้อมไม่ธรรมเทศนานั้นที่เสร็จปวดยัสาะคนหมดในที่สุดยศสาะคนหมดก็ได้สําเร็จ ดวงตาเห็นรมถือบวชเหมือนกับปัญญบีเข้าไปแล้ววิดามาดาบริวานของยาศาคุณเอ่ยยะคุณบุตรไม่เห็นตามหาวุ่นวายกันต้องลนะคงจะไปอิสิต้นละใครก็ไปนู่นไปนู่นก็มาก็ไม่เห็นรองเท้าอยู่หน้าวัดพ่พ่อก็จำเลย บิดาของยาศกุลบทเฉติจําได้นี่ลองเท่ายาศถามเข้าไปพอเห็นยศกุลบทบวชเสร็จแล้วนั่งล้อมพระพุทธเจ้าอยู่เศรษฐีบิดามารดาเพื่อนของยาศกุลบทก็ไปร่วมฟังธรรมขณะที่โผดยาศกาุลบทเอา้าก็เลยทั้งปัญญาเก่าด้วยนะ ไปด้วยกันพระเจ้าปรจัดแดงทำก็ได้เกิดเรื่องสายชะตาเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนแรกเกิดขึ้นขณะนั้นผสุภิกษณีภิกษุอภัสพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุบาสกบาจิกาเกิดขึ้นในนั้นเป็นคนแรกคือพ่อของยะะแม่ของยะะพัรลยาของยะะ กุลบุตรเพราะในวลพระเจ้าพ่อหมู่สงปัญญวิยยศไปฉันที่บ้านปลูกยอโดโยมท่างหลายเพื่อนของยศกุลบุตรเห็นยศบวชเอา้ามาถือบวชอีกสี่สิบห้าคนนะเออมันก็เกิดขึ้นมานี่หลักฐานาใครละเด๋ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพอสมควรผู้คนทั้งหลายปัญญวิชยศกุลบุตรเพื่อนเนจากกุลบุตร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 อย่าไปทางละรูปทางละสองรูปนะให้ไปทางละรูปแ ย, ยกย่ากันไปเราก็จะไปยังอุรุเวลาเสนาในขมาาคือราชะคือที่ได้นัด ก, นกันกับพระเจ้าพิมพิสารสมัยเสียถะออกตรงโหนดจึ่งเป็นเมืองอ่ากษัตริย์ด้วยกันอ่าพระเจ้าพิสารก็ก็พระเจ้ า, า, า, าสโตธนะ กระกษต์ด้วยกันกองบ้านกองเรืองตามหัวเมืองต่างๆมาก็ให้บอกว่าเออถ้าเสียถะคนพบจะจำเจ้าไหนก็นำมาบอกด้วยเด้อให้มาบอกด้วยอย่าทิ่งพ่อนะก็ ก, กไปไปบอกไปสอนนี่คือความประกาศพระชารยธนายิ่งเกิด วัดแรกขึ้นมานับจากวันเพนเดนแปดไปถึงวันเพนเดนสามประมาณ9้าเดือนมีประหารเกิดขึ้นหนึ่งพันสองรอยห้าสิบลูกเนี่ยนับไปดูสิทำไมได้มาจากไหนหนึ่งันสรอห้าสิบลูกนะเพราะผู้จ้าจำอยู่ที่ปีุวัน พระเจ้าพิ ษ, ษานสร้างให้เป็นวัดวัดแรกที่สุดเลยในวันเป็นนันสามภิกษุทั้งหลายที่แยกยยกันไปต่างไปเผยแพร่ได้ผู้รู่เตมิมว่าปะอัญญาโกนัญญาว่าปะปัญญามหมานามะอัจจะคิดควมทั้ ง, ทงยา่าจับกุมกแก้กันไปก็ในวันเป็นนันสามดั น, น, นมันเป็นวันประเพณีของชาวอินเดีย ไมโบรานเขาก็เคยไปร่วมกับเหมือนกับพวกเราลนะ่ะวันสงการเราไปอยู่ที่ไหนก็กับบ้านไอ้วัน อ, อะไรของกินนะอะไรก็ก็อเปิจุดจินคนก็พักผ่อนไปจุดกินกลับบ้านกับช่องไหว้บัมโบลุษแต่ที่พระอรหันเนี่ยเกิดขึ้นมาจะไปไหว้ใครมันไม่ง้อหลงอมาแล้วจะไปหาใครล่ะ ไม่กลับไปทำหาบันพุลุดไปทำพิธีดีตรงเล่นสองการเหมือนคนไทยไปตุรกีเหมือนคนจีนกลับบ้านกับช่องเที่ยวเล่นขี่รถเด่นเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ประหัน์เหล่านั้นน่ะที่เกิดจากการเผยแร่ผลงานของภิกษุที่ไปเผยแร่เกิดขึ้นมาก็ชวนกันไปเฝ้าพระเจ้า เพื่อวันเป็นเดือนสามกันเป็นวันสําคัญของวันเปรีของเขาหลวงตาก็เคยไปเวียนเทียนที่สารจีเมืองลักเนาไปเป็นเพื่เดือนสามเน่ยพอดีเอาไปเจอพิธีของเขาเขาเรียกวันใส่ล้ายป้ายสีเขาสนุกสนานนะใส่ล้ายป้ายสีวันสงการานต์บ้านเราเนี่ยเล่นมอมกันเหมือนคนโบราณมอมมันมีแป้งเอา เอาก้นหม้อเอามือไปเท้าก้นหม้อดำๆไปป้าหน้ากันก็ไม่ว่ากันไม่โกรกันในวันนั้น๋ยวนี่ก็มีแป้งไม่มือนไม่มีมมมก้นหม้อเหมือนเมื่อก่อนเนาะใช่ไหมใครเกิดอายุเจ็ดสิบแปสิบปีคงเห็นสมัยนั้นนะเขาไม่ีแป้งเอาก้นหม้อดำๆไปปะกันนะนี่ก็เหมือนกันล่ะลันดาเคยไปเวียนแทนอยู่ที่ไ่นไปอยู่ที่สานขี่ แล้วก็เล่นเงินไปจลายสีเขาจะมาป้ายเราสีของเขาเนี่ยักออกนะเ้าหน้าก็โอ้ย oh, hey, เป็นเดือนะจึงจะเธาออกแต่ว่าไม่ใช่สีดำเป็นสีต่างต่างสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีอะไรถึงตัดใส่เสื้อเขียนเลยเลยเราก็นั่งอยู่ที่ที่วัดในสันกีสันกี แล้วก็เห่ขึ้นมาย้ายๆม่เห็นไม่เห็นลงตานั่งดูวัดพุุษที่สร้างกะตีสร้างวัดขึ้นมาด้วยหิยนกะตีหลังนั้นที่ระนั่งอยู่น่ะยังงดงามอยู่เลยระหว่างเสา ร, ระหว่างคือระหว่างจันทน์เป็นหินทางนั้นต่อกันนเหมือนไม่มีอะไรเลปานีตยิ่งกว่าไม่ใชแต่หลังคาไม่มีมีแต่เสากับ คือกับจันทนมองสวยงามที่สุดเลยระหว่างพื้นระหว่างดวดระหว่างจัว่วสวยงามที่สุดเล ย, เ, ยเป็นไปนั่งดูโอ้ยสองสามพันปีอ๋อใส่พุทธเจ้าน่มาดูผีเหมืองคนโบราณให้นั่งอพอดีพวกกเล่นใส่ลไล่ใสีขึ้นไปอ่อาอ่าไดรามาอาไดร์ด า, ามาอาไดร์ด า, ามา มันเห็นเรานี่ว่าองค์ไดเราลามะเป็นนักบวชไดเราลามะไดเราลามาลุมเข้ามาหาเรเราก็นั่งหลับตาเฉยพอมาใก ล, ๆล้ๆเราก็ยดเสียงลงเอารืนตาขึ้นมันก็คานเข้ามาเอาสีมาติดจีวรเรานื้หนึ่งมันก็ออกนี้ไปเออนี่ก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ ถึงเนื่อถึงตัวเหมือนกันเล่นสงการบ้านเราทุกวันนี้ถึงเนื้อถึงตัวกันเลยแต่ไล่ไปเสียก็พวกพระอรหันต์ทั้งหลายที่เกิดจากการเผยแพร่ระหว่างนับจากเดือนเป็นเดือนแปดถึงเดือนสามในกบันแปดเข้าเดือนเกิดพระหลนหนึ่งพันสองรอยู่ไปรวมกันที่ป่าเวรวนสวนเวรวนวัวนวดพวงราชเกื้อเดินทางไปไปพ บ, พ, บ, พ, บพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่นั ด, ด, ดหมายเลย ไปอยู่ที่นั่นพระเจ้าอ้อาชจรรย์ น, นอ้อพระสงฆ์ที่มานี่มารวมกันไม่ได้ดัดหมายตั้ง1250รห้ลูกว่นเป็นพระหันทั้งหมดเลยแสดงโอวาปทปถิโมกเนี่ยขนาด8ปดเ้าเดือนไหนมีพระหลันเกิดขึ้นหนึ่งรหลูกนี่คือผลงานของธรรมะที่เป็นหลักฐานความจริง ที่ปรากฏการสมัยพุทธกาลอันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ทรงศินเขียนป้ายไว้ให้นาวัดว่าที่นี่ไม่ทุกเลยที่นี่ไม่ทุกเลยอยากแต่บอกกันนะเหมือนกับอิสิปัณละพุที่เราพูดคํานี้ออกมาที่ไม่ทุกที่ไม่บุ่นวายมาที่นี้อย่างเขียนไว้เลยนายวัดที่ไม่บุ่นวายที่นี่ไม่ทุกมาที่นี้อยากเชมันจะเกินไปเนาะ วัดเพียงแต่เขียนว่าป้าสุกโตสถาบันสติปัฏฐานเท่านี้ก็คุยแล้วใช่ไหมมีวัดใดที่เขียนอย่างนี้บ้าไม่มีแล้สุกโตก็เขียนลงไปท่าทายสักหน่อยหนึงสถาบันบางที่สถาบันการศึกษ า, า, าอะไรเป็นสถาบันหนักเราไปตั้งขี้สถาบันแต่ไปสมัยก่อนสถาบันราชพัฒน์วัดเนี่ยมาเขียนสถาบันอะไรเป็นสถาบัน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 ยกปุ้ถ้าใครมีปัญหาทางกายไม่มีนะไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยหิวข้าวหรือเคยทุกข <laughs> ์เคยไปสนอนมหาวิเลยขยับเชียงใหม่สอนมมาดหลวงเรามาถามได้เด้อเรามีคนเหมือนกันคนเรามีมีเหมือนกันคือกายกับใจใครมีกายอยู่เนี่ยเอาถามเนี่ก็ใครมีกายอยู่เนี่ย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 เจงประกาศว่านี่สถาบันเจงประกาศนี้คือสถาบันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็มีปัญญาจนทั้งหลายเมื่อเจิ่งเสอเราดูพิสูจน์ลองดูสิให้สุดฝีมือเราหนูทํำยังไงมีสติสัมป็ัญญะมีสติสตัเปชัญญะตั้งอยู่อย่างที่เราสอนนะประคองตั้งจิตไว้มีสติสัเป็นเยะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกคือกายคือใจออก ให้เห็นมันหรูร้กายจะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราของฐานกรรมฐ า, านอยู่ตรงนี้กรรมฐ า, านตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เอาหนังสือตำล่ามาเรียนหนังสือตำล่าคือกายคือใจเราจิตเป็นนักศึกษาเข้าไปศึกษาให้มันจบซะจนพูดออกมาว่าจบแล้วเหมือนพระเจ้าจบเรื่องนี้เมื่อบานนี้จบจริงๆ องยังตัดออกมาออทธานออกมาว่าชาติจิ้นแล้วปรงมาจันอยู่จบแล้วกิจอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วในโลกเนี่ยภาระปัญหาเรื่องการเรื่องใจไม่มีแล้วหมดลงปงไวได้ตัดจะลูอนุตละสัมมาสัมโพธิญาในเมื่อคืนตอนลูกเช่าเมื่อวานนี้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 รู้จักรู้จึกเข้าไปภาษาพระเจ้าสอนว่ากายจะว่ากายไม่ใช่จัดปุกคนตัวตนเราเขาเฮ้ยว่าเคยบอกตัวเองอย่างนี้ไหมเวทนาคือวันจุกวันทุกข์ก็ไม่ใช่จัดปุกคนตัวตนเราเขาจิตวันคิดโดนที่นี่ก็ไม่ใช่จัดปุกคลตัวตนเราเขาเคยสอนเคยกลับไปอย่างนี้ไหมหรือว่าเป็นไปกรนมันเลย เรื่องกายออกมาเป็นฉุกเป็นทุกข์เรื่องของเวทนาอมาเป็นฉุกเปทุกข์ไปแย่งกันไปข่มขืนเอาไปเชื้อเอาพ่นเอามาบความฉุกของเรามันเป็นความทุกข์ของเขาแต่ว่าเป็นความฉุกของเราก็เอาเพรานั้นก็ไปถูกเสมอไปรเราอย่ามาล่องนี้พี่สูจกันลองดูพี่สูจนกันลองดูให้สุดฝีมือเราอย่าไปเชื่อใครง่ายๆ แน่ตัวปฏิบัติก็อย่าไปเชื่ออ่านความรู้่ังนี้อาจารย์ก็หลอกลูกจิตไป่ได้ลูกจิตก็หลอกไป่ได้เช่นเรามือวางไว้บนเขานะ่ะเมื่อเราเยอยู่ไหนพลิกมือขึ้นใครเป็นคนรู้เรารู้เองเรารู้เองใครจะมาว่าลูมือเราอยู่ที่อื่นเราไม่เชื่อเพราะรู้สึกตัวมืออยู่ตรงนี้ยกมือขึ้นเราก็รู้ไม่ใครบอกว่ามือของคนวางอยู่ไม่มีใครเชื่อวางมือลงเราก็รู้ มันคิดไปโน้นมันหลงเราลู่เองมันลู่มันความรู้สึกตัวเราสร้างกันว่ามันควหลงหมดไปเรารู้เองสมบัติความลู่ความหลงลองดูมันจะเป็นอย่างไงเวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวเวลามันโกรธรู้สึกตัวมันจะเป็นอย่างไงเรียกว่าฐานหรือว่าปฏิบัติหรือว่ากลับตากลับมาภาวนาคือขยันรู้ ไม่ใช่มานั่งคิดหาเหตุหาผลภาวนาคือขยันรู้เนี่ยามันก็หมดเวลาแล้วนะั้นะเดี๋ยวก็จะก <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ็ฟันะ่ได้ฝังเนาะ